โสดาบันชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอริยชนคุณสมบัติเบื้องต้นแห่งการยกตนขึ้นสู่วิถีแห่งอริยะซึ่งภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ควรจะสนใจและเน้นกันให้มากดังที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่าพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดารงมั่นในองคุณของโสดาบันสีประการสิ่งใดต้องละสิ่งใดต้องเข้าถึง เพื่อไปสู่ความเป็นอริยาสาวกเป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริงปิดอบายพ้นทุกข์ได้แน่นอนซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายขั้นแรกที่ทุกคนควรให้ความสําคัญศึกษาให้เข้าใจและพยายามไปให้ถึงหรือให้ใกล้เคียงที่สุดให้ได้ภายในชีวิตนี้เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายบทที่18 บทเริ่มต้นแห่งภาคที่สามสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าิบห้าตัวอย่างหัวข้อภายในคุณสมบัติของบุคลบบคลโซดาบันบุคคลโซดาบันตามนัยยะพุทธพศคำเรียกคำแสดงคุณลักษณะของบุคคลโซดาบันคุณสมบัติฝ่ายมีและฝ่ายหมดคุณสมบัติในแง่ละได้และที่เป็นผล คุณสมบัติและข้อปฏิบัติก่อนเป็นโสดาบันคุณสมบัติเด่นที่เป็นคติสำหรับแก่คนยุคปัจจุบันความหมายของคำว่าสุตตวาอริยสาวกและอริยธรรมเป็นต้นอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทรรมโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตอัศวินอารัตเทียน ง, งามทวีสีทองคำเจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคา